สองพี่น้องฝาแฝดเนิ่นนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆยังมีชาวนาคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวฝาแฝดของเขาลีน่าและแนนซี่เขารักทั้งสองมากคอยเล่นกับพวกเธอและคอยสอนหนังสือให้กับพวกเธอผู้คนในหมู่บ้านต่างก็รักเด็กหญิงทั้งสองแต่ว่าเมื่อพวกเธอโตอขึ้นอายุได้สิบกว่าขวบบางอย่างก็เปลี่ยนไป เฮ้มารีออกมาเล่นกันเถอะพวกเราพบต้นไม้พร้อมกับแอปป้อนสดๆในป่าด้วยลหละวันนี้จริงเหรอแต่ฉันงคงไปไม่ได้ทำไมละ่ะแม่คงไม่ให้ฉันไปมารีไปไม่ได้หรอกนะลีน่าและแนนซี่พวกเธอโตแล้วหยุดเล่นไร้สาระแบบผู้ใหญ่ได้แล้วนะ ผู้หญิงควรทำตัวให้เรียบร้อยเรียนทำอาหารทำความสะอาดไม่ใช่ออกไปเล่นในป่าแล้วก็สกปรกกลับมาอะไรนะแต่ว่าไม่ใช่ความผิดของพวกเธอหรอกฉันคงต้องพูดกับพ่อของพวกเธอบ้างแดนซี่และลีน่าเดินออกมาอย่างสับสนและเศร้าใจพวกเธอไปที่บ้านของเพื่อนคนอื่นสวัสดีคุณเจครับบองไฮสาสาวมาทาอะไรกันจ้ เรามาถามเซลลี่ว่าเธออยากไปเล่นกับพวกเราในป่าไหมคะคงจะไม่ได้หรอกฉันกำลังสอนเธอเกี่ยวกับวิธียับปักถักร้อยฉันสอนพวกเธอได้นะถ้าอยากเรียนพวกเธอต้องรู้จักทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่าไปเล่นในป่าแล้วนะพวกเธอโตกันแล้วพวกยิ่งควรเรียนวิธียับปักถักร้อยเอาไว้นะจ๊ะแนนซี่และลีนได้ยินดังนั้น <c oughs> ก็เดินออกมาอย่างเศร้าใจ เพื่อนของเราหยุดเล่นกันไปแบบนี้เลยเหรอเนี่ยดู น, าน่าสิพระผู้ชายยังเล่นได้ทดํ า, าทไมผู้หญิงยังทําไม่ได้ละ่ะลีนะ่นาแดนซี่ไปปีนต้นไม้ในป่าด้วยกันไหมไม่มีอารมณ์สเตฟานไว้ครางหน้านะแด น, นซี่และลีนา่าราไม่ไหวที่จะถามพ่อของพวกเธอว่าทําไมเพื่อนผู้หญิงของพวกเธอถึงหยุดเล่นกัน คุณพ่ออ้านางฟ้าตัวน้อยของพ่อวันนี้เป็นไงบ้างเข้าเย็นเสร็จพร้อมแล้วเหรอขอบคุณนะลูกรักทำไมนางฟ้าของพ่อไม่ร่าเริงและพูดมากเลยหล่ววันนี้มีอะไรงั้นเหรอคุณพ่อคะทำไมผู้หญิงต้องเค้นน้าละทำกับข้าวแล้วก็ทำความสะอาดหรือแค่เย็บปากถักร้อยใครบอกลูกแบบนั้น วันนี้ตอนที่พวกเราออกไปเรียกเพื่อนๆนเพื่อไปเล่นในป่าแด น, นซี่และลีนาบอกพ่อของพวกเธอในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้จนทานตกตะลึงมากทำไมผู้ชายเล่นได้แต่ผู้หญิงเล่นไม่ได้ผู้หญิงก็ทําทุกๆอย่างได้เหมือนผู้ชายนั่นแหละลูกรักจริงๆแล้วแทบไม่ต่างอะไรกันเลยแต่ทำไมต้องมีผู้หญิงที่เราวิธีทำอาหารเหละคะ ก็พ่อก็รู้วิธีทำอาหารไม่ใช่เหรอพ่อไม่ใช่ผู้หญิงด้วยทุกๆคนควรรู้วิธีทำอาหารทําความสะอาดและเย็บปักถักร้อยหรืออะไรอื่นๆที่มีประโยชน์เอาไว้มันไม่เกี่ยวว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผู้หญิงได้รับอนุญาตให้เรียนรู้ทุกอย่างได้หรอคะทุกอย่างเลยแม้แต่ขี่ม้าด้วยหรอคะแม้แต่ขี่ม้าด้วยลูกอยากเรียนไหมละ่ะอยาก ดังนั้นโจนาธานจึงเริ่มสอนวิธีขี่ม้าให้กับลูกสาวของเขาเด็กหญิงทั้งสองทำมันได้อย่างดีแต่พวกคนในหมู่บ้านต่างไม่ชอบที่มีเด็กสาวขี่มา้านายต้องหยุดลูกสาวของนายซะเรื่องอะไรเหรอครับพวกเธอทำในสิ่งที่ผู้ชายทำกันมันไม่ถูกต้องที่ทำให้พวกเธอขี่มา้าและปีนต้นไม้พวกเธอต้องเรียนการทาอาหารทาความสะอาดเย็บผ้าแล้วก็ดูแล บ, บ้าน ผู้หญิงก็ทําทุกอย่างได้ถ้าหากว่าตั้งใจพวกเธอไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้ชายเลยลูกสาวของฉันไม่ได้ทําร้ายหรือเป็นอันตรายกับใครฉันจะไม่หยุดพวกเธอจริงงั้นเหรอผู้หญิงหาเลี้ยงครอบครัวได้ไาให้จอนาธานตอบฉันมาทําไมจะทําไม่ได้ฉันวางแผนจะสอนให้พวกเธอตอนที่โตกว่านี้ฉันจะสอนพวกเธอไม่เพียงแค่การเพาะปลูก แต่จะให้พวกเธอมาช่วยฉันขายในตลาดด้วยผู้หญิงทำธุรกิจอย่างนั้นเหรอนั่นมันเลวร้ายเกินไปหากนายยืนยันแบบนั้นจรทานฉันเกรงว่าพวกเราต้องคว่มบาทนายและครอบครัวของนายออกจากหมู่บ้านนี้คิดให้ดีลูกลูกของฉันและฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะหัวหน้าอันที่จริง ฉันอยากจะขอให้ทุกคนให้อิสระในสิ่งที่พวกเธอต้องการจะเรียนรู้ทำไมผู้หญิงต้องพึ่งผู้ชายด้วยละ่ะผู้หญิงก็เรียนรู้ที่จะทำธุรกิจได้และผู้ชายก็สามารถเรียนรู้ที่จะทำอาหารและดูแลบ้านได้เจ้นานัทธาลนายไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรออกมานั่นเนี่ยผู้หญิงทำธุรกิจอย่างนั้นเหรอแลวผู้ชายเรียนทำอาหารนั้นเหรองั้นก็ตามใจถ้านายต้องการแบบนั้น นายและลูกสาวของนายจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกับกิจกรรมของหมู่บ้านอีกตามใจเลยหัวหน้าแต่สักวันนายจะรู้เองว่าฉันพูดถูกในไม่ช้าก็มีงานกีฬาประจำหมู่บ้านเด็กชาย20คนจากหมู่บ้านอื่นเข้าร่วมด้วยมีกิจกรรมมากมายเต็มไปทั่วหมู่บ้านแต่เจนทานและลูกสาวของเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมงาน มรัฐมนตรีโรแลนด์จะมาเปิดงานด้วยตัวเองเลยพวกเราต้องทำให้มันไร้ที่ติฉันอยากเห็นการแข่งกีฬาจังแต่พวกเราไม่ได้รับอนุญาตนะลูกไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่บนสนามแต่ลูกสามารถออกไปข้างนอกและมองดูมันจากจุดสูงสุดของหมู่บ้านได้นะใช่แล้วในไม่ช้าวันแข่งกีฬาก็เริ่มขึ้นีหน่าและแนนซี่ ปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงเหนืออัศจรรย์และสามารถมองเห็นหมู่บ้านทั้งหมดได้จากบนนั้นพวกเธอเห็นรัฐมนตรีโรแลนด์มาพร้อมกับลูกชายของเขาที่กำลังจะลงวิ่งแข่งในขณะที่ทุกคนกำลังเพลิดเพลินไปกับการแข่งขันฟันเดอคนโง่ในหมู่บ้านในลักพาตัวลูกชายรัฐมนตรีไปและตอนนี้พวกเรามีนั ก, กรีธาจากแสนเฮิร์ต ข้ามาเดินขบวนตออหน้ารัฐมนตรีได้เนนซี่นั่นอะไรเนะี่ยทำไมรถม้าถึงวิ่งเร็วแบบนั้นได้เวลาแบบนี้ล่ะมันอยู่ไม่ห่างจากสนามกีฬาไม่ใช่เหรอแปลกจังฉันว่าพวกเราควรไปบอกหัวหน้าใครจะฟังเรากันละน่ะแนนซี่กว่าเราน่ะจะไปบอกหัวหน้ารถม้านั่นคงวิ่งไปถึงไหนต่อไหนแล้วล่ะมาเถอะตามมันไปกัน ดังนั้นเด็กสาวทั้งสองจึงขี่มาตามรถม้าคันนั้นไปรถม้าหยุดในป่าลึกข้างหน้าถ้ำเด็กสาวทั้งสองแอบดูอยู่หลังพุ่มไม้และแอบมองนั่นมันลูกชายของรัฐมอนที่โรแลนไม่ใช่เหรอใช่แล้วเขาถูกลักพาตัวงั้นเหรอเราต้องไปบอกคนในหมู่บ้านลีนะ่า เธอกลับไปบอกพ่อกับหัวหน้าหมู่บ้านนะฉันจะคอยซุ่มดูในถ้ำจากตรงนี้นี่แหละเธอไม่เป็นอะไรแน่นะฉันจะเป็ีนต้นไม้นี่แล้วซ่อนในกิ่งไม้ไว้ตอนนี้ไปเร็วพาม้าไปด้วยนะระวังด้วยละ่ะลีน่า ก, กลับไปที่หมู่บ้านและพยายามบอกทุกอย่างให้หัวหน้าหมู่บ้านฟังแต่หัวหน้าไม่ยอมฟังเธอและน้องสาวของเธอไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม ง, งานจะไม่ได้หรอ แต่หนูมีเรื่องสาคัญจะบอกคุณนะคะคุณหัวหน้าเอาตัวเด็กนี่ออกไปเมื่อหัวหน้าไม่ยอมฟังเธอลีน่าจึงรีบไปหารัฐมนตรีโรแลนด์และบอกเขาทุกอย่างรัฐมนตรีและชาวบ้านรีบไปจุดที่ลีน่าพาพวกเขาไปทันทีและแนนซี่ก็บอกพวกเขาถึงสิ่งที่เธอเห็นก่อนหน้านี้ พวกเขาเอาลูกชายของคุณเข้าไปในถ้ำตรงนั้นและกําลังขนย้ายอะไรไม่รู้ในเกวียนนึกว่าอีกไม่นานก็ต้องหนีไปแน่โอ้พวกเขาไม่ทาํารอกชาวบ้านและทหารเข้าโจมตีถ้ำจับตัวโจลักพาตัวไว้และช่วยเหลือลูกชายของรัฐมนตรีโรแลนด์ไว้ได้พ่อภูมิใจในตัวลูกทั้งสองคนนะลูกชายของฉันปลอดภัยเพราะได้ลูกสาวของนายช่วยไว้โจนาธานหวนามโมบาต คนทำได้ดีนะที่ให้อิสระกับผู้หญิงในหมู่บ้านไม่ใช่เลยครับท่านรัฐมนตรีมันเป็นจรราบรรและลูกสาวของเขาที่สอนบทเรียนอันมีค่าทั้งหมดให้เราจรราบรรณนายพูดถูกผู้หญิงสามารถทำทุกอย่างที่ผู้ชายทำได้และพวกเขาสมควรได้รับอนุญาตให้ทำไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่มีใครแข็งแกรง่งหรือว่าอ่อนแอกว่ากันพวกเขาสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนกัน ผู้ชายสามารถทำอาหารและผู้หญิงสามารถขี่มา้าหรือทำอะไรกอดได้ตราบใดที่พวกมันเป็นประโยชน์แก่พวกเรา